เจริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่เราได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมา สร้างความดีทำบุญทำกุศลเป็นซึ่งเป็นวิธีที่จะสร้างสรณะ ท, ที่พึ่งทางใจให้กับเราเพราะใจเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีทั้งดีและไม่ดีที่มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ ถ้าเราไม่สร้างสาระที่พึ่งทางใจไว้เวลาที่เราไปเจอความทุกข์เราเจอสิ่งที่ไม่ดีจิตใจเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับร่างกายถ้าไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคภัยต่างๆเวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกาย<ๆ>ก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยและถึงตายได้ ถ้าเป็นโรคภัยที่ร้ายแรงฉันใดใจของเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันมีสาระที่พึ่งทางใจก็คือธรรมะหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีให้เราละบาปให้เรา ชำระกายวาจาใจให้สะอาด ห, หมดจดด้วยการมีศรัท ธ, ธาความเชื่อมีจากะการเสียสละมีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีปัญญาความฉลาดรู้ทันโลกรู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรามีศรัท ธ, ธา มีจากกะมีศีลมีปัญญาเราก็จะมีสรณะมีที่พึ่งไว้คอยปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจดังนั้นการสร้างศรัทธาการบริจาค คือจากะปล่อยจากสิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใชนะ้ให้กับผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือตั้งอยู่ในศีลและเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมา และการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะเมื่อมีปัญญาแล้วจะรู้ทันกับจะจะรู้ทันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้จะไม่ถูกหลอกเมื่อไม่ถูกหลอกก็จะไม่เสียใจที่เราเสียใจกันก็เพราะเราถูกหลอกไม่ใช่ใครที่ไหนหลอก ใจของเราคือกิเลสของเราหลอกเราเองคือความหลงความเห็นผิดเป็นช อ, ชอบนั่นเองเพราะว่าเราไม่เห็นความจริงเราเห็นตามความอยากกิเลสชอบหลอกให้เราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ความอยากมันไม่ได้ตรงกับความจริงเสมอไปเมื่อไม่ตรงกันก็จะสร้างความผิดหวังสร้างความเสียใจให้กับเราถ้ามันตรงกับความจริงเราก็หลงระเลิ์คิดว่าอยากจะได้อะไรแล้วจะสมอยากเสมอไปก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะ ไม่สนใจที่จะสร้างความฉลาดเพื่อให้รู้ทันความจริงของโลกของชีวิตนะดังนั้นเราจึงต้องมาวัดกันอยู่เรื่อยๆในวันที่เรามีเวลาว่างอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรเข้าวัดสักครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้มาเสริมศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตัดสรู้จริง เห็นจริงเชื่อว่าเป็นผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เชื่อในพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่เชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนหลุดพ้นจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นแล้วก็ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า <c oughs> นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วแมน้นว่าเรายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้พบกับสิ่งที่ท่านได้พบได้เห็นได้รู้มาเราก็ควรเชื่อไว้ก่อนเพราะท่านไม่ได้หลอกลวงเรา เช่นสมมุติว่ามีคนหนึ่งเขามาบอกเราว่าในสถานที่หนึ่งนั้นมีสิ่งดีๆอยู่มากมายเช่นมีเพชรนินจินดามีเงินมีทองถ้าใครไปถึงสถานที่นั้นก็จะสามารถเอาเพชรเอาเพชรนินจินดาเอาเงินเอาทองมาเป็นสมบัติของตนได้ ถ้าเขาบอกเราแล้วถ้าเราเชื่อเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นจริงหรือไม่พอเขาบอกเราแล้วก็บอกทางว่าอยู่ที่ตรงไหนเราก็เดินทางไปดูกันไปพิสูจน์กันถ้าไปถึงที่นั้นแล้วถ้าไม่เจออะไรเลยก็แสดงว่าเขาหลอกเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเจอสิ่งที่เขาบอกเรา แล้วเราได้สิ่งต่างๆนั้นมาได้เพชรเนิจินดาได้เงินได้ทองมาเป็นสมบัติของเราเราก็จะได้กำไรนี่คือความเชื่อลักษณะของความเชื่อเป็นอย่างนี้คือต้องต้องมีความเชื่อแล้วเราถึงจะไปพิสูจน์ได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ไปพิสูจน์เมื่อเราไม่ไปพิสูจน์เราก็จะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสัสอนที่ได้ทรงบรรลุถึงคือการหลุดพ้นจากความทุกข์การได้บรรลุถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขสุดยอดนั้นก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นกับตาของเรายังไม่ได้สัมผัสกับใจของเราเป็นสิ่งที่เราจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ถ้าเราไม่เชื่อ เราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่ได้เห็นจะไม่ได้สัมผัส <c oughs> เพราะเมื่อไม่เชื่อเราก็จะไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำเพื่อจะได้พบได้เห็นกับสิ่งที่พระพุทธเจ้า <c oughs> ได้ทรงพบได้ทรงเห็นนั่นเองแต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะมีโอกาสเพราะเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตาม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าอยากจะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้มาเป็นสมบัติก็ต้องมีจารคะก็ต้องมีการเสียสละต้องรู้ต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละอย่าหวงอย่าตรนีกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ส่วนเกินนั้นเราอย่าไปหวง แต่ส่วนที่จำเป็นเราต้องเก็บเอาไว้เพราะเราก็ต้องมีไว้ดูแลรักษาชีวิตของเราแต่ส่วนที่มันเกินความจำเป็นเหลือเฟืออย่าไปห่วงอย่าไปเก็บเอาไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เอามาบริจาคเสียให้เอามาให้ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยหรือผู้อื่นแล้วจะทำให้เราหลุดพ้นจากความตนีหลุดพ้นจากความใจแคบ หลุดพ้นจากความหวงนะเพราะสิ่งเหล่านี้จะผูกมัดให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราจึงต้องอย่าไปยึดไปติดกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเมื่อเราตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้มันช่วยอะไรเราไม่ได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ช่วยเรา ในขณะที่เราตายไปมันก็ไม่ช่วยเราแต่ถ้าเราเอามาทำบุญเอามาบริจาคเอามาช่วยเหลือคนอืน่นมันก็จะทำให้จิตใจของเรามีบุญมากขึ้นมามีความอิ่มมากขึ้นมามีความสุขมากขึ้นมาแล้วจะทำให้เราปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้ปฏิบัติได้อีกคือให้มีศีล ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเรามีความอิ่มมีความพออยู่ในใจของเราเราก็จะไม่หิวกระหายไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆเพราะเราได้บุญได้กุศลมาดูแลรักษาให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบนั่นเองแต่คนที่ไม่ไม่ไม่บริจาคไม่เสียสละไม่ ไม่ให้ผู้อื่นยังมีความตนียังมีความโหแหวนอยู่จะเป็นคนที่มีความหิวมีความกระหายมีความอยากได้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เขาต้องไปหาสิ่งต่างๆมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามถ้าหาด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ได้เขาก็จะต้องไปหาด้วยวิธีทุจริต ก็จะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะคนที่อยากจะได้อะไรมากๆถ้าต้องโกงเขาก็เอาถ้าต้องลักขโมยก็เอาถ้าต้องประพฤติผิดประเวณีก็เอาขอให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการทั้งนั้นถ้าต้องฆ่าผู้อื่นก็จะทำนี่คือลักษณะของจิตของผู้ที่ไม่มีจาคะนั่นเอง ไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลาต่างกับจิตที่มีบาริมีมีจาระะมีการบริจาคมีการให้มีการเสียสละอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้มีความหิวน้อยลงมีความอยากน้อยลงมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปตะเกียดตะกาย ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยวิธีที่ทุจริตก็จะทำให้สามารถรักษาศีลได้สามารถรักษาความดีงามของของตนไว้ได้เพราะศีล น, นี่คือความดีงามความสวยงามและก็ให้ความสุขกับจิตใจด้วยเวลาจิตใจไม่ทำผิดศีลผิดธรรม จะมีความอบอุ่นใจจะมีความสบายใจจะไม่กังวลว่าจะมีใครมาจับไปเข้าคุกเข้าตารางจะมีใครมาประนามมาด่ามาว่าจะมีใครมาจับไปลงโทษเพราะว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เสียหายไม่ได้ทำบาปทำกรรมนั่นเองก็จะทำให้จิตใจ นั้นมีความสงบมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เป็นเกาะหรือเป็นสาระเป็นที่พึ่งของจิตใจในเอกระดับหนึ่งและเมื่อตายไปถ้าชาตินี้ยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกเพราะมีศีลห้าเป็นผู้รักษาปกป้องไม่ให้ไป ไปสู่ไปเกิดในอบายจะให้ไปเกิดในที่ดีที่เรียกว่าสุขติมีพบของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าและก็จะได้ให้มีโอกาสได้กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นอีกจนในที่สุดก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปในที่สุด นี่คืออนิสงของการรักษาศีลในขณะที่อยู่ก็มีความอบอุ่นใจในขณะที่ไปก็ได้ไปสู่สุขติเป็นสิ่งที่ได้แต่ได้อย่างเดียวคนที่ไม่รักษาศีลเพราะคิดว่าเสียเปรียบขาดทุนนั้นเป็นคนที่โง่มองไม่เห็นสิ่งที่จะได้นั่นเองมองแต่สิ่งที่เห็นได้กับตาก็คือ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆเมื่ออยากจะได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆแล้วต้องรักษาสินก็อาจจะไม่ได้ก็คิดว่าจะเสียเสียเปรียบไม่เหมือนกับคนที่ไม่รักษาสินเขาเขาก็จะได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเขา แต่เขาไม่เห็นส่วนที่เขาต้องเสียไปซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เขาได้มาสิ่งที่ได้มาไม่มีคุณค่าอะไรสมบัติข้าวของเงินทองมันก็เป็นวัตถุเท่านั้นเองมันไม่ได้คุ้มครองจิตใจไม่ให้ไปสู่ที่ต่ำได้ถ้าทาผิดศีลถ้าไปทำผิดศีลผิดธรรมไปทำบาปทำกรรมตายไปก็ไม่มีศีลไว้คอยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้ไปเกิดในอบายนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นกันเพราะความหลงครอบงำจิตใจทำให้เห็นว่าการรักษาศีลการมีศีล น, นี่แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของใจ <c oughs> เป็นสราณะนะเป็นที่พึ่งของใจได้เหมือนกับจาคะการบริจาค ก, การเสียสละ ถึงแม้เราจะเสียสิ่งของต่างๆไปเสียคนนั้นคนนี้ไปแต่ใจเรากลับได้ความอิ่มเอิบใจความสุขใจความมั่นคงของจิตใจนี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อต้องเห็นด้วยตาในคือต้องมีดวงตาเห็นธรรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านเห็นใจและท่านเห็นความจําเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อจิตใจก็คือบุญและกุศลนี่เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทํากันให้เราบริจาคให้เราเสียสละให้มีจาระให้เรามีศีลตั้งอยู่ในความสะอาดบริสุทธิ์ของกายของวาจาไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น และให้เรามีปัญญา <c oughs> เพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของเขาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไม่เห็นคนที่ไม่มีปัญญาก็เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดหรือคนที่หลับตานะถ้าหลับตาก็จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ ถ้าเดินไปไหนไปทำอะไรก็จะทำแบบผิดผิดถูกถูกจะเดินไปเตะสิ่งนั้นจะไปเตะสิ่งนี้ไปชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้ก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเจ็บปวดให้กับตนเองแต่ถ้ามีแสงสว่างหรือถ้าลืมตาขึ้นเวลาจะทำอะไรก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนก็จะไม่ทำด้วยความผิดพลาด จะไม่ไปชนไม่ไปเตะอะไรต่างๆที่จะทําให้ต้องเจ็บปวดนะฉันใดใจของเราถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมจะเป็นของเราก็ได้หรือเป็นของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเรายังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมของเราเราก็ต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน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 ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากสิ่งของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาใจของเราก็จะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์เมื่อเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์แล้วก็จะไม่หลงก็จะไม่เสียใจ เวลาเกิดความแก่ขึ้นมาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมากับตัวเราเองก็ดีหรือกับผู้อื่นก็ดีเราก็จะรับกับความจริงได้เพราะใจของเราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนั่นเองแต่ถ้าเราไม่เตือนใจเลยไม่สอนใจเลยใจจะถูกความหลงเสี้ยมสอน ให้อยากอยู่ไปนานๆไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพากจากกันเมื่อคิดอย่างนี้แล้วพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพากจากกันขึ้นมาก็จะรับไม่ได้ก็จะตกใจก็จะเสียอกเสียใจแต่ถ้ามีพระธรรมคำสอนเราจะไม่วุ่นวายใจกับเรื่องราวเหล่านี้ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกๆคนไม่ว่าเขาหรือเราเป็นอย่างเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพัดพรากจากกันด้วยกันดังนั้นถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าเวลามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีใครตายไปเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจ เราจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและสงสอนให้เราพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปถ้าเกิดต้องตายไปก่อนเวลาที่ควรก็เพราะเป็นวิบากกรรมของเขานั่นเอง เพราะว่าเขาทำบุญมาได้เพียงเท่านี้เขาก็อยู่ได้เพียงเท่านี้จะให้เขาอยู่เกินบุญที่เขาทำไว้ไม่ได้เหมือนกับเติมน้ำมันในรถเติมน้ำมันครึ่งถังขับรถก็ไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นจะไปถึงตลอดทางเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะน้ำมันจะหมดกลางทางนั่นเองแต่ถ้าเติมน้ำมันเต็มถัง ก็จะสามารถขับไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะมีน้ำมันพอเพียงนั่นเองคนเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็มีความแตกต่างกันมีมีอายุสั้นอายุยืนต่างกันมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างกั น, นมีอาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่เท่ากัน เพราะเหตุที่เกิดจากการกระทาในอดีตนั่นเองว่าได้ทาบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรได้รักษาศีลมากน้อยเพียงไรถ้ารักษาศีลได้มากโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวนานก็มีมากโรคภัยแค่เจ็บแค่เจ็บก็ไม่เบียดเบียนมากอาการ อาการ32ก็จะมีครบถ้วนบริบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอเพราะเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราก็ดีเกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักก็ดีเรารักก็ดีเราจะได้ทำใจได้เราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจ เพราะความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ทไม่ได้ทำไม่ได้ทาอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้ทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับคืนขึ้นมาได้ไม่ได้ทำให้เราสบายใจแต่จะทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุนมัว <c oughs> กินไม่ได้นอนไม่หลับไปปะปล่ า, าไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจึงต้องดูแลรักษาใจของเราเป็นหลักคนอื่นเราก็ดูแลไปด้วย แต่เราต้องไม่ลืมมองใจของเราบางทีเราห่วงคนอื่นมากจนลืมใจของเราไปห่วงจนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเป็นเหมือนกับเป็นเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลคือเป็นความไม่ฉลาดนั่นเองคนที่ฉลาดนั้นจะต้องรู้จักรักษาใจของตนด้วย ในขณะที่ดูแลรักษาผู้อื่นไปด้วยคนอื่นเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมเราจะมาเดือดร้อนมาเศร้าโศกเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา <c oughs> จเจริญอยู่เรื่อยๆถ้าเราจเจริญอยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะไม่เผลอไม่ลืมแต่ถ้าเรายังคิดอยากจะอยู่ไปนานๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนลองถามตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะเจอกับความแก่หรือไม่พร้อมที่จะเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ พร้อมที่จะเจอกับความตายหรือไม่ถ้าเรายังไม่พร้อมแสดงว่าเรายังไม่สนใจมากพอนั่นเองเราก็ต้องคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ให้เตือนสติอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายและต้องให้เจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็เตือนตนเองว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแล้ว หายใจออกก็ต้องเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วถ้าคอยเตือนตอนเองอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจจะมีสาระมีที่พึ่งใจจะไม่หวั่นไหวกับความเป็นความตายกับการพัดพากจากกันเพราะใจรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไปเศร้าโศกเสียใจไปหวาดกลัวก็เหมือนกับไปทุบตีตัวเองนั่นเอง เรื่องอะไรต้องไปทิพทุกตีตัวเราเองด้วยกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถไปยับยั้งได้เช่นฝนตกแดดออกถ้าเราไม่ต้องการให้ฝนตกแดดออกเราก็มาทุกตีตัวเราเองมันก็ไม่ได้ไปทำให้ฝนตกแดดออกนั้นยับยั้งไปได้ฉันใดถ้าเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายเราก็มาวุ่นวายมาทุกกับมัน มันก็ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้ความแก่ความเจ็บความตายนั้นเกิดขึ้นความแก่ความเจ็บความตายการพลาคจากกันเมื่อถึงเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทั้งนั้นไม่ว่ากับใครทั้งสิ้นแต่การที่มาหวาดกลัวมาวิตกมากังวลไม่ได้เป็นวิธีที่จะรักษาใจให้เป็นปกติให้สุขให้สบาย แต่การสอนใจเพื่อให้รับความจริงให้ได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันนี้ต่างหากที่จะทำให้ใจของเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่สามารถมากระทบกระทั่งมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เลยเพราะใจมีสาระมีที่พึ่ง น, นั่นเองมีเกราะคุ้มกัน คือพระธรรมคาสอนและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจอยู่มากมากคือการสร้างสาระสร้างที่พึ่งให้กับใจมากกว่าการสแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจนั่นเอง ได้มามากเพียงไรก็ไม่ได้ทําให้ใจมีความมั่นคงให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่กุศลมีแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงควรหมัน่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในวัดน้อยอยู่นอกวัดเราก็ทําได้การบริจาคนี้ไม่จําเป็นต้องบริจาคให้กับวัดอย่างเดียวบริจาคให้โรงเรียนก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้มูลนิธิต่างๆที่ทําสาธารณประโยชน์ก็ได้เช่นมีมูลนิธิที่เขาบริจาคโรงให้ศพไร้ญาติอย่างนี้บริจาคซื้อโรงให้คนตาย เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมานอนให้คนอื่นเห็นสภาพที่ไม่ได้าดูลนะรยจากโรงรรยจากอะไรต่างๆก็ได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนนะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดศีลก็รักษาได้เหมือนกันรักษาในวัดก็ได้รักษานอกวัดก็ได้เพราะศีลอยู่กับกายอยู่กับวาจาของเรา เวลาเราจะพูดเราจะทำอะไรก็ให้มีสติดูว่าจะพูดและทำในสิ่งที่ผิดศีลหรือไม่ถ้าจะไปเสพสุรายาเมาก็ต้องยับยัง้งถ้าจะพูดโกหกก็ต้องหยุดพูดถ้าจะไปหยิบทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต ก, ก็ต้องยับยัง้ง ถ้ามีสติเราจะรู้ว่าเราจะพูดหรือเราจะทำผิดศีลหรือไม่แล้วก็เรื่องปัญญาเราก็สามารถจเจริญปัญญาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะฟังเทศฟังธรรมของพระก็ดีหรือฟังเทศฟังธรรมในใจของเราก็ดีเราสามารถแสดงธรรมะสอนตัวเราเองได้เช่นวันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรม เราก็เอาสิ่งที่เราได้ยินนี้ไปสอนเราอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันเราก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่มนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเสียเวลากับการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มาคิดเรื่องนี้กันเรื่องธรรมะกันพยายามคิดอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราไม่คิดแล้วเดี๋ยวจะลืมพอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวธรรมะก็ลืมหายไปพอลืมหายไปเราก็จะกลายเป็นคนง่อไปจะไม่รู้ธรรมโลกจะหลงกับความแก่จะหลงกับโลกแล้วจะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเราคอยสอนคอยเทศอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็จะได้รับผลชัว่วถ้าเราสอนใจอย่างนี้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถเอาธรรมะนี้มาใช้กับเหตุการณ์นั้นได้เวลาแก่เราก็รู้ว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา เวลาตายเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาตายเร็วตายช้าก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมนี่นเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะมีสาระมีที่พึ่งของใจไว้ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขนี่คืออนิสง ของผลบุญของการมาวัดของการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะเป็นอย่างนี้จะทำให้เราบุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงขอให้เราจงฝ่บุญฝ่ายกุศลศึกษาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนาไปปฏิบัติ แล้วเราจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญจึงขอฝากเรื่องการทำบุญทำทานรักษาศีลเรื่องความเชื่อเรื่องจาคะเรื่องศีลเรื่องปัญญาให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อสระนของใจต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอูุสมผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีสรณะที่พึ่งทางใจเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่โศกกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ด้วยกันเธอญ